และอุลัยอัลลอฮฺอาสลีวะเจลตุอิลัยกะ ลวมักจะมินบัดก์ ا ่ามินบัดก์และว و ามินบัดก์และว่ามินบัดก์และว่ามินบัดก์แ ه ะว่ามินบัด ل ص ل ا ة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه و م ن ت ب ع ه م بإحسان إلى يوم الدين اللهم ب ك أصبحنا وبك أمشينا وبك نحيا وبك نموت وإلائك نشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقني وأنا عبدك وأنا على عهدك و و ع د ك, ك ما استطعت أبوؤلك ب ن ع م ت ك <c oughs> ع ل ي وعبوء بذنبي فغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من شر ما صنعت اللهم إني ع و ذ بك من الكسل وسوء الكبر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 สลัล l ะอาล a h u m ا ل ل ق م lahum ن ا ل م lahum ن م ة ا, أ ل ل ه إ أ و พี่น้องที่ร่วมนมา Jamaah subuh, atau jamaah fajar, yang rakang lain, Alhamdulillah, kita berharap Allah Subhanahu Wataala dengan doa bon yang kita baca Al, di atas tempat tidur kita. Alhamdulillahilladhi ahya na ba'dama amatana wa ilaihin nushud. Bapa baca sendiri, ibu baca sendiri. บอกให้ลูกๆหลานอ่านด้วยวิธีปลูกลูกเนี่ยปลูกอย่างนี้แหละอัลฮัมด il ุลิลลาฮิลลาดิอัลฮยานาบาดามาอามาตนาไวไลหินูชูเนี่ยนั่นเป็นการปลูกลูกที่ดีที่สุดที่สอนดุอาให้ว่าหลังจากตื่นนอนท่านแม่ทิชลาดเนี่ยมันต้องพูดเหนื่อยด้วยเอาลูกอัลฮัมด il ุลิลลาฮิลลาดิอัลฮยานา บาดมาอมาตนาไวไลฮินุชูเนี่ยพูดอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันัวลูกติดโต๊ะก็ติดติดหมดในบ้านเรามีบาระกะดตัวอาที่ผมอ่านในตอนต้นเนี่ยมันมีอยู่ 2-3 สามวรรคจะอธิบายนะอัลลอฮฺขุมอินย์อวยพรแก่มินาลกซัลฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากความขี้เกียจ ความกีเกียรนอยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญวาลยุบิกะมินซูอิลกิบัตฉันขอความคุ้มครองจากอัลลออายุเยอะๆแล้วนะหลงขอดักเอาไว้ขอไปเลยทุกวันอัลละจะอย่าให้ฉันเป็นคนที่มีอายุเยอะแล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รับผิดชอบไม่ดูแลไอ้ทัศน์ทยาง ขอความคุ้มครองจะอ้อนร้องให้พ้พนจากการลงโทษที่ไฟนรกแล้วก็การลงโทษที่สุสานสังเกตว่าเอออะไรก่อนเนี่ยเอยไฟนรกก่อนเพราะมันหนักกว่าถูกลงโทษก่อนหนักกว่าแล้วก็ต่อมาที่กูโบกูโบก็เบาหน่อยมุสลิมต้องนึกตลอดเวลาเลยนึกชีวิตในกูโบด้วยแล้วนึกชีวิตในโลกอาคือรอดด้วยต้องนึกชีวิตที่อยู่ใน นรกตัวยต้องดึกตลอดเวลาทั้งๆ ท, ที่ตัวอยู่บนดุนยาแต่ใจไปติงนู่นแล้วอีกวักหนึ่งอัลลอฮฺมูฮมหมัดนี่เอาซูบิกะมิน ด, ดีด้กินดุนยาฮวาดี้กียอมินกียะมาโอ้อัลลอฮฺฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺให้พน้นจากความคับแคบบนดุนยาเนี่ยชีวิตที่คับแคบขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ชีวิตคับแคบบนดุนยาและชีวิตที่คับแคบในโลกอาคือรอดด้วย ด้านมุสลิมต้องอยู่เป็นเยมาอยู่ใหญ่เป็นห่วงสังคมมันจะอยู่แอบแอยู่คนเดียวไม่เอาต้องอยู่กับเยมาอต่อมานมามที่มัสยิดพบกับผู้คนสลามกันยินมแย้มกันขออุทิให้กันนี่คือชีวิตของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับขอบคุณอัลลอฮ์นะพี่น้องที่เราได้ทบทวนกุรอานนะครับเพราะท่านอับีศลออย่างนี้ใครที่นมามซูบโบจบแล้ว นะครับแลนั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นนะครับไม่ใช่พระอาทิตย์นะดวงอาทิตย์นะครับจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นนั่งทําอะไรครับเนี่ยซิครุลล้อการซิครุลล้อเนี่ยหนุนเงินด้วการนั่งอ่านกุรานนั่งเนี่ยยาตาดารอสู้นะนั่งแล้วก็ทบทวนอ่านุรานหาความรู้จากกุรานอัลลอฮฺอักุัล เอาละให้สามอย่างหนึ่งอัสซะกีนะความสงบสุขขึ้นในหัวใจสองรชมะอัลลอจะประทานความเมตตาโรชยะตไลฮิมุลรมะอัลลอฮจะเอาความเมตตาเนี่ยมาปคคลุมอัลลอฮยิ่งใหญ่มากค่ะเรามองไม่เห็นนะเนี่ยวะฮัฟฟะตไลฮิมุลมาอิกะมาไลกะเอาปีกเนี่ยมาคลุมไว้ ไม่มีช่องสำหรับไวัยตอนที่จะเข้ามาเล่นงานเราข้อที่สีนี่สามข้อเลยนะข้อที่สอัลลอฮ์จะวาากราหุมอัลลอฮ์จะเ อ, อ่ยเรื่องของเราเนี่ยให้ผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าได้รับรู้ว่าเราในกำลังบาตวของอัลลอค์ุมหนึ่งกำลังนั่งอยู่ในมัสยิดของอัลลอฮ์แล้วก็กำลังยาตาดาราสู้เนะี่ยกำลังทบทวนอัลกุรอานอยู่ บอกให้มาลายิกะให้รับรู้บนชั้นฟ้าแล้วก็บอกให้บรรดาอัมบีญานบีทั้งหมดอยู่บนชั้นฟ้าทั้งหมดนบีอาดามอยู่ชั้นฟ้าชั้นชั้นที่หนึ่งนบีอิบรอฮีมชั้นฟ้าชั้นที่เจใช่ไหมนี่ถ้าเราจําทั้งหมดนี้นะอัลลอฮ์อักลกุบะดีมานเราเพิ่มตลอดเวลาเลยอัลลอฮ์เล่าเรื่องของเราที่นั่งในมัสยิดนี้ ให้กับบรรดามาลาอิกะและบรรดานาบีที่อยู่บนชั้นฟ้าให้รับรู้ว่าเรานี่เคลื่อนไหวกำลังทำอะไรบ้างแบบเรามีทีวีไปเนาะโฆษณาให้รู้จะขายยามองยามองยามองทุกวันทัวนเอาขอบคุณเราลอนนะครับที่เราทบทวนอัลกุรอานนี่มาถึงสูรต์ตอฮาอายาที่เทไรนะ8ปดสิบเอดเนื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นองทั้งหลายนะครับ หลังจากที่นบีมูซาเนี่ยข้ามทะเลนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ได้ทำลายศัตรูของอัลลอฮ์และศัตรูของนบีมูซาเนี่ยให้จมน้ำแล้วก็ทะเลเนี่ยคลื่นเนี่ยรู้ไปทหารอิสราเอลได้ทหารของฟารโรตายเท่าไหร่เจ็ดแสนแล้วก็ม้าสีดำที่ฟารโรสะสวมไว้นะเจ็ดมือนตัว ตายเรียบหมดเลยทีนี้ในทัฟซิดอธิบายดีนะคนที่ถูกอัลลอ์เล่นงานอัลลอ์ลงโทษนบีไม่เห็นกับนบียืนมองนี่ต่างกันนะนี่พอนบีมูซาขึ้นฟังนบีซาก็หันหันหันมามองหันมา ม, มองกำลังน้ำกำลังเชี่ยวเข้ามาเล่นงานเนี่ยเจ็ดแสนคนพร้อมกับ มาสีดําอีกเจ็ดหมื่นตัวต่อหน้านาบีมูซาอะลัยฮิสลามนั่นเป็นการลงโทษที่เลวที่สุดพรนบียืนมองอยู่เหมือนกันนะครับใครที่ถูกเล่นงานอย่างพวกสมัยท่านนบียังมีชีวิตอยู่นบียังมีนบียืนมองเห็นเนี่ยถูกอัลลอฮเล่นงานอยู่เนะี่ยคนนั่นเป็นคนที่ถูกอัลลอฮ์โกรธและเกลียดมากที่สุดฉะนั้นพวกเราเราทำอยู่ดีๆแล้วยาให้อัลลอฮ์มันไส้ พาท่านนบีมายืนมองเอาคราวนี้ถูกเรื่องงานจากอัลลอฮ์ะนะมันหนักนะแค่นั้นขอทุกองค์เอาต่อร้อนนะครับให้อัมีอีมานแทนการเจวโกรดของอัลล์สุลตานหาหูอัลลาหอาทีนี้อัลลอ์สั่งนบีมูซานะครับบอกว่าเมื่อข้ามทะเลไปแล้วนี่นะพบกันนาะที่ภูเขาอะไรนะยานิบตูริไอมันอายะที่8ปอัลลอ์ได้สัญญาว่าพบกันที่ไหน ที่ภูเขาตูดด้านขวาเป็นสถานที่เดียวกันที่นบีมูซารับวะฮีนะครับเป็สถานที่เดียวกันเอาละเมื่อท่านนาบีถูกวะฮีให้ไปพบกันที่ภูเขาตูดไอมันภูเขาตูตด้านด้านขวาเนี่ยนะพอข้ามทะเลแดงไปแล้วเนี่ยหลังจากเลือกตั้งอ่าก็มีเลือกตั้งกันนะ เลือตั้งมีมานานแล้วพวกบรนีิอิสรอเอลน่ะที่ข้ามทะเลไปแล้วมีทั้งหมื่ด6 7 6 0น0 0 0ดคนพวกบรรดอิสรอเอลน่ะที่ปลอดภัยจากการเล่นงานของฟาโรน่ะเท่าไรนะหกแสนเจ็ดหมื่นทหารอิสราเอลทหารยิวมากกว่าได้จําละถอดถทหารฟาโรนี่เท่าไร่ 700,000 พวกบรรดอิสรอเอลที่อีมานต่อนบีมูัาหม่นเจ 6 0แสเจ็ดโอ้เมื่อขึ้นข้ามข้ามไปแล้วเขาเลือกตั้งกันเพราะมีอยู่หลายกลุ่มที่นั่นนะกลุ่มเยอะมากเลือกตั้งได้เจ็ดสิบคนเป็นผู้นำเขาเรียกว่านุกอบนูกบผู้นำเจ็ดสิบคนซาบา น, นะครับเจ็ดสิบเสร็จแล้วพอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยนบีมูซารีบไปที่ภูเขาตูดเลยเพราะสัญญาอาลัลลอ์ให้ครับมันสัญญาว่า พบกันที่ภูเขาตูดอุลไอมันนมูซานามุซาบนะา ร, รีไปเลยเอาพอไปแล้วเป็นไงครับอัลฮัมดุลิลลาทั้งหลายที่นี่ก่อนนั้น่ะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอัลลอ์ได้กล่าวเตือนพวกลูกหลานบนีอิสรออีนที่อัลลอ์ได้ประทานอะไรนะอัลมันนาวัซซัลวานี่เป็นอาหารที่มาจากชั้นฟ้าทั้งหมดไปน้อง ไ, งไปตรงเนื่อยเลยนก นกคุ้มอะไรพวกนี้เนี่ยนะมันดานมันจับยากมันเปรี้ยวแต่วันนั้นเนี่ยมันเดินลงมาจากข้า ง, งบน้ามาถึงก็เดินเตะแตะแตะจับก็ง่ายเด็กก็จับได้เลวลาอัลลอฮฺจะให้เนี่ยนะอัลลอฮฺอักบะดฮอาลก็ได้อาหารมาโดยไม่ได้เหนื่อยเลยนะมาต้องลงทุนเลย ม, มาต้องวิ่งจับด้วยเดินจับก็จับได้แล้วก็อัลมันน่นนอะ เป็นของหวานชนิดหนึ่งสองรายการนี้เอา ล, ล่อประทานให้เตือนพวกเบนิอิสโตร อ, อินอย่าลืมเนี่ย ม, มัดที่เอา ล, ล่อประทานให้แบบไม่ได้เนื่อยๆนะคุณระวังให้ดีสอนใจเราวันนี้ที่เราได้รับมาแบบง่ายๆเนี่ยมีไหมล่ะริสกีด้วยเนี้ย ม, มัที่เอา ล, ล่อให้กับเราโดยไม่ได้เหนื่อยเลยมีไหมเยอะอันยงเนี่ทีวีนี่ไปน้อง ขาสอนศาสนาทั้งสีช่องในวันนี้เราเหนื่อยหรือเปล่าไม่ได้เหนื่อยเลยเพียงแต่กดอย่างเดียวนี่รีโมทนี่ไปน้องอยู่ที่มือเราวะเนี่ยจะกดจะดูละครจะดูศาสนาเท่านั้นเองนี่นี่อามาทิอาลอให้มาถึงในบ้านเราเลยอยู่ในห้องนอนเราเลยเนี่ยนี่นีอามัดหรือเปล่าเนี่อามัดกับฉะนั้นเมื่ออาลาทิลอใหอ้ทีวีมีทั้งสี่ช่องยังไม่เอาศาสนาไปดูละครระวังระวังเองระวังให้ดีนะอามาทิลอเตือน อามาดูอายะ q u r า n กูลูมินพอ ย, ยิบทติมารอซักนาคุมอัลลอฮหว่ากันในเมื่อให้ซันมันนะมันนะวาวัสวาซัวามาแล้วให้ทำไงกูลูแปลว่าจงจงกินอ่าพูดบรแ้วนี่ละจงกินเพราะว่าบริโภคตะงงอีกอะไรบริโภคบริโภคเอาว่ากินก็แล้วกันจงกิน มินตอยบัสจากสิ่งที่ดีทั้งหลายตุวลงว่าอัลมันน์นบวสัวาของดีใช่ไหมมาจากชาน้าที่เราประทานให้ทานไปเลยกินไปเลยเป็นของดีๆทั้งหมดมารอซักนากุมที่เราได้ประทานเป็นเครื่องอย่างชีพแก่สู่เจ้าอาลอกให้ทั้งหมดนะ่ะ มนุษย์ไม่ได้คิดเองเลยนะอลัลลอฮ์ให้ทั้งหมดนี่เตือนนะเตือนคนอ่านกูอ่านเช้านี้อ่ะทุกคนกูลูมิมตอยเบติมารอซักนากรมอลัลลอฮ์นี่ไทยมีคนอ่านกุูอ่านจะรับเข้าใจความหมายเนะี่ยใจลอยไหมไม่ลอยอิมาม่านกูอ่านเสียงเพาะด้วยดีด้วยแล้วรู้ความหมายด้วยเราคนฟังเนี่ยนะใจไม่ลอยอ่ะวันนี้ถึงมาลอยเพราะเรา อ่านกูอานไปค่อยรู้เลยแล้ก็จะเรียนตัชีวิตอย่างเดียวอ่านปอยหรือว่าตัวตาโอ้โหก็หจะผิดทั้นทารู้ความหม า, ายในใจมันไม่ลอยไปไหนนะกูรู้มิยงปอยยิบาติมารอซักนากุมท่ทานทั้งหลายจงกินท่านทั้งหลายจงกินจากสิ่งที่ตอยยิบที่ดีๆ มารอจักอนากุมที่เราได้ประทานเป็นเครื่อนยังชีพแก่สูเจ้าแล้วสั่งอีกนะเวลากินกินริสกีของอัลลอ์เนี่ยว่าแลตตเราฟียากระด้างกระเดืองอย่าทรยตอ่านี่อัลลอ์สั่งนะเห็นอยังครับกระด้างกระเดืองไม่ดีเลยเอาริสกีที่อัลลอ์ให้ลองกินเยอะเป็นยังไง ต้องหาหมอแว่อีกโรคตามมาใช่หรือไม่ใช่กินน้อยไม่มีปัญหาไปน้องกินน้อยโรคไม่มีจะกินเยอะหมอจะช่วยหน่อยนี่ไงว่าตาเราเนี่ยรุมรุมหมดนะ่ะอยา ก, กินก่อยา ก, กินเยอะเอานบีทานอาหารยังไง ร, รู้ใช่ป่ะนบีทานอาหารแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะสมส่วนหนึ่งอาหารสองน้ำสามอากาศเอาไว้าหายใจ นี่ผมอ่านทัดิษมาวานนั่งพิจารณาฮัติที่นดีสังนรียกว่าอย่างนี้ภาชนะวีอาแปลว่าภาชนะภาชนะเนี่ยกระเพาะเราเป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นวิอาด้วยไปเป็นภาชนะชนิดหนึ่งที่ใส่อาหารนดีพูดบอกว่าภาชนะทุกชนิดที่อยู่ในครัวท่านเนี่ยนะใส่อาหารให้เต็มภาชนะนั่นไม่เน่าไม่เสีย แต่ภาชนะที่อยู่ในท้องของท่านที่ใส่อาหารถ้าใส่เต็มเหมือนใส่ถ้วยใส่จานใส่หม้อใส่กระละมังระวังระวังท้องคุณจะเสียอัลลอฮฺเข้าใจง่ายเลยนบีพูดยกตัวอย่างง่ายดีไหมดีพูดหมานะอะไรที่ใส่อาหารเก็บอาหารได้เรียกว่าวีอาร์วีอาร์แปลว่าภาชนะที่เราใส่หม้อใส่หายใส่ถ้วยใส่จานใช่ไหมเนี่เป็นอาหารที่เราใส่ไป ใส่เต็มหมอ้อเลยนะหมอ้อไม่เสียภาชนะที่อยู่ข้างนอกอยู่ในครัวท่านไม่เสียแต่ถ้าเอาไปใส่กระเพาะของท่านให้เต็มเมื่อไรนะความเสียหายจะติดตามมาเต็มไปหมดถ่าหมอรโรคตามมาเยอะไหมล่ะหมอเต็มเต็มมากเลยยิ่งนั่นใครที่กินอาหารใส่กระเพาะแน่นนะี่นะ กินแล้วก็กินอีกอตัตตอ d ัมบาดจัตอมอาหารชุดแรกนะยังไม่ได้ย่อยชุดที่สองตามมาอีกยังไม่ย่อยชุดที่สามตามมาอัลลอฮฺอั a บาร์เมื่อไหร่มันจะเลอะสักทีหนึ่งก็มันแน่นหมดแล้วเลอได้ยังไงนั่นเป็นเวเป็นภาชนะชนิดหนึ่งกินเยอะๆระวังเวลาตัเราอย่าเป็นคนที่กรด้างกระเดียงต่อคำสั่งของอัลลอฮุบฮานาลา พอมีริสกี้มีบ้านอยู่ขอบคุณอัลลอฮ์ใช่ไหมมีที่นอนอัลฮัมดุลลาบ้านติดแอร์ด้วยอัลฮัมดุลิละอุกนามาซุบบะยา ก, ลกาเลยทำไมเพราะมันติดแอร์มันนอนสบายอ่ะอย่าตะตะเราอยากระด้างกระเดีองต่ออัลลอฮ์นะนะครับริสกี้เยอะอันนุ่นก็เยอะไอ้ น, นี่ก็เยอะอัลลอฮ์สั่งว่าาตะตะเราอย่าอะไรนะอย่ากระด้างกระเดีอง ฟีในที่ตรงนั้นและที่คุณจะอยู่ตรงไหนก็ตามเอาไปไปที่ภูเขาตูดไปอยู่ตรงนั้นจะไปอยู่สถานที่ไหนก็ตามอย่าเป็นคนกระด้างกระเดีองสร้างความฟิตรณะให้กับที่ตรงนั้นหรือให้กับตัวเองให้กับสังคมเรามีหน้าที่คอยพัฒนาอย่างเดียวไม่มีหน้าที่ทําลายนะครับมีหน้าที่พัฒนาพัฒนาสังคมของไม่ดีนะครับอบยับยั้งไว้นะครับแต่ของดีต้องส่งเสริมสุนทนแล้วกัน มาพูดถึงเรื่องริสกีนะครับพี่นออ้องอัลลอฮ์เรื่องริสกีนะี่มันเรื่องใหญ่ผมอ่านในในติปุญนัมวีนะครับครับว่าวิธีที่จะดึงริสกีหาริสกีเพิ่มริสกีนะันมีสองอย่างนะริสกีที่อลัลลอฮ์กำหนดตั้งแต่อยู่ในท้องนะตอนอายุได้หนึ่งร้อยี่สิบวันนี่นะสี่เดือนนี่นะ ที่อัลลอฮ์ให้มรรยามาเป่าวิญญาณวันนั้นให้สรายการหนึ่งริสกูจะได้เครื่องอย่างชีพขนาดไหนกำหนดแล้วเราไม่รู้เพราะอยู่ในท้องสองกำหนดวันตายวันหมดอายุจะอยู่บนนุญญานี่กี่วันเราไม่รู้อันปฏิที่สจะมีอาชีพทำอะไรเราไม่รู้ เพศประเภทที่สนะี่นจะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วนั่นอัลลอฮ์กำหนดตั้งแต่เราอยู่ในคันของมารดาสีรายการริสกีถูกกําหนดแล้วแต่ริสกีที่เราจะพูดต่อไปนี้เป็นริสกีที่พิเศษที่อัลลอฮ์ให้อยากได้เพิ่มไหมอ่ะทุกคนอยากได้เพิ่มมณ์นะริสกีส่วนนั้นนะแต่ส่วนที่อยู่ในท้องนะ่ะอัลลอฮ์ให้อยู่แล้ว คนกาเฟตก็ให้คนไม่สุญุดก็ให้คนเลวก็ให้คนชั่วก็ให้ยาฮูดินนสอเนี่ยเอาล้อให้หมดไปน้องแต่ที่พูดเนี่เป็นริสกีพิเศษนอกเหนือจากที่กำหนดอยู่ในท้องก็คือต้องการริสกีเพิ่มให้ทำสี่ข้อด้วยกันยิ่งช่วงนี้นะช่วงดีที่สุดเพราะเป็นช่วงสิบวันของเดือนลุลฮ ah. ิจเดือนรุลฮิจเนี่ยมีมีงานพิเศษอยู่สองรายการหนึ่งอะไรนะมะ กุรบานสองฮัจจีแต่เราไม่ได้ไปเราเรีกว่ากัก บ, กบกุรบานเตรียมตัวทำทำทำกุรบานก็แล้วกันทีนี้ที่จะหาริสกีเพิ่มนอกจากริสกีที่เอาอ ก, กำหนดแล้วนะมีอยู่สี่ข้อก็คือติยามุลเลลุกขึ้นน้ำมาตะฮันบอกว่าถ้าขึ้นได้ทุกคนเนี่ยนะโลหอักบัตยิ่งใหญ่มาก แต่อย่าลืมนะคนที่ขึ้นมานมาตะฮัดยุตได้เนี่ยต้องเหยียบต้องเหยียบอารมณ์ต้องเหยียบเยอะเลยล่ะหนึ่งที่นอนนิ่มๆเมียสวยๆอ๋อโลวะก็บอกว่าจะขึ้นยากนะยิงนอนดึกด้วยดูละครโอ้โหไม่ได้เนี่ยต้องเหยียบเยอะมีอยู่คนนึงมุสลิ ม, ม, มอยู่คนโทรศัพท์มาพอช้างฉันนี่ไม่เคยทำมาตะฮัดยุตต อ, ตอนหลังบอฟังศาสนาแล้วมัน มันคลุกคลุกได้นึกว่าถ้าฉันถูกเล่นงานในกูโบเลยใครจะช่วยฉันก็เล่นลุกขึ้นมาท่านจุ ด, ดอย่างน้อยสักสองเราก็อาจก็ยังดีตามด้วยวิเต็ดอีกสามใช่ไหมนี่แหละพี่น้องตียามุลเลนนะครับอันนี้ตอนตื่นตอนตีส่เนี่ยได้เยอะนะกว่าจะอาจารย์อาจารเท่าไหร่มาหมัดตีสเท่าไหร่ตห้าสิบโอ้เง น, นได้ตังเยอะแต่ไล่เราก็อาจเลยน่ะนะ อาต่อมาครับข้อที่หนึ่งให้ลุกขึ้นนมาติยาุลเลข้อที่สองกัสโรตุลอิสติฟารระหว่างที่นั่งรออาจารยสุบะจากจากจากมัสยิดเนะี่ยให้อิสติฟารไปเรื่อยบิลอัสฐาตอนเช้าชาแบบนี้นะนี่พปเนาะนี่เช่าชาไปนี่ให้ได้อัสตาฟิรุลลออัสตาฟิรุลอฉันขออภยัยโทษต่อร์ว่าสลายข้างได้ไหมได้เพราะนบี นบีทาเป็นแบบอยู่แล้วพี่น้องข้อที่สามให้สวดออิ์ก็ข่าวสวัสดิ์กอ็พี่น้องครับอพูดกันว่าเอาช่วยเหลือด้านการเงินเนี่ย ด, ดีมากดีมากๆเลยเรามีเงินเรามีเงิ น, เ, งนเดือนได้ตั้งหลายหมืน่นลูกให้ลูกห้าคนให้คนละห้าพันห้าพันโอ้โยตรงสองหมื่นห้ากันไปแล้วใช่ไหมเงินมีอบอกดีจากนี่สวดิ์กอ็พี่น้องมีความรู้สวัสดออิ์ก็ความรู้นะครับ ข้อที่สอัลิกเรียกถึงอัลลอฮ์อดดบสบฮันวะมาซานช่วงเช้ากับช่วงเย็นสีรายการนี้พี่น้องทําสม่ําเสมออัลลอฮ์จะให้รีสกีเพิ่มนอกจากรีสกีที่ถูกกําหนดจากท้องแล้วอัลกามดุลิลเลาะพี่น้องใครสอนะนะบีมุฮัมมัดสอนสักคำว่ารีสกีอย่าเป็นอย่าไปาคิดเป็นเม็ดเม็ดเงินพี่น้องที่ได้มีโอกาสมาหน้าสุบโบ ท, ที่มัสยิดนี่ก็เป็นรีสกีนะ ที่จำดวงอาท่าดวงอาทยันได้นี่ก็เป็นรีสกีนะอนล๋อที่นอนฝันดีๆอล๋อไม่เคยฝันถึงมะเลยมะตายมานะค น, ด, ด, ด, นดูการดวงอาท่า<ม>อะไรที่ถูกกาหนดจากท้องมาแล้วเนี่ยนะถ้าจะเปลี่ยนแปลงเราไม่รู้เรากําหนดอะไรเราไม่รู้ไงใช่ไหมแต่นี้เรื่องนี้ต้องการจุดสว่างหาเพิ่ม เพิ่มพี่น้องเราต้องการเพิ่มใชอมากอันนั่นก็เพิ่มอันนี้ก็เพิ่ ม, อ, นนมอยากเพิ่มหมดแล้วอา ม, มันฑุซอแรกก็ต้องเพิ่มด้วยนะครับตัวล่าวาหนึ่งลุกขึ้นกิยามุลแรงข้อสองกัสรอตุลอิสตุฟารบิลอัสฮาร์ข้อที่สมอัสลอดก้อข้อที่4ซิกเก็ตถึงอัลลอ์ในช่วงเช้ากับช่วงเย็นด ua เราก็ต้องไปหาเองนะนะนะีทั้งหมด30ิกว่าด u เดยอะนะนั่งซิกเก็ตถึงอัลลอฮ์นะเช้านะ เอาต่อมาครับฝ่ายฮิลล์อาไลคุมฟ่ายฮิลล์อาไลคุมกบบีคนที่กระด้างกระเดืองหรือคนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ทั้งทั้งที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดที่เสืองสองอย่างกับพวกบันีอิสลอยน์สองรายการใช่ไหมอัลมันนัสซัลวาและพวกเราวันนี้อัลลอฮ์ให้เยอะเยอะกระพือบันนีอิสลัยน์อีกไปนองเยอะแยะไปหมดฉะนั้น ถ้าใครที่กระด้างกระเดียกแล้วเป็นไงผลลัพธ์ฟายให้ละไล่กุ่มอบบีรบบไปว่าความกลิ้โกรธพ่อกลิ้วพ่อกลิ้วแม่กลิ้วลูกไม่เจริญนะนี่ธรรมดาที่เอาล้อให้เห็นนะพ่อแม่ที่กลิ้วโลกที่กลิ้วลูกพ่อกลิ้วลูกโกรธลูกนะะลูกไม่เจริญครับแต่ท่านพ่อฉลาดเนี่ยเขาไม่ด่าลูกเลยเนา พออัลนบีสั่งอ่ะลาตัดดาวอาลาอัลฟุซิกุมอย่าขอดูอาทําลายตัวเองวลาดอัลลาดิคุมอย่าขอทำลายอย่าขอถูอาทําลายลูกของท่านวลาอัลวาลิกุมอย่าขอดูอาทําลายทรัพย์สินของท่านนาบีสัง่งเพราะเราไม่รู้ไงมันมีวันหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อัลลอฮ์รับรับดูอาเราไม่รู้ว่าช่วงไหนเอาวันนี้อัลลอฮ์กหนดตั้งแต่สามมงเย็นถึงสี่โมงเย็น ท่นจะรับดอาของบ่าวของพระองค์มายืนด่าลูกขอให้รถทับก็ดา่ากมะหูงพูดไปเลยฉันขอดูลอาตอาลอให้รถทับลูกทำให้ขับรถไปชนเสาไฟฟ้าอาลัลลอ์รับเลยอีกห้าปีชนทำไงดูอาขอขอไปแล้วนี่เพราะเพราะไม่ฟังาศาสนาอ่ะเพราะฟังาศาสนามันกนนึกเออถ้าไม่ขอดูอาให้ลูกอ่ะ นะคัังนั้นต้องขอดูอาให้ลูกอย่างเดียวเลยนะนี่พ่อแม่ต้องอดทนต้องซอบัด ต, ต้องพูดจาเดีๆกับลูกต้องพูดเพราะๆต้องปรึกษากับลูกต้องคุยกับลูกนั่งทานอาหารพร้อมๆ ก, กันกับคนในบ้านแล้วก็คุยกันดีๆแบบท่านนาบีุลมฮัมหมัดไปปลูกฟาติม์ฟาติมจาจะบอกเหตุผลเลยลูกขึ้นอย่านอนตอนเช้านะลูกนะ เพราะว่าริสกีของอลัลลอฮ์นั้นจะถูกจัดสรรให้ตั้งแต่รุ่งอรุณขึ้นถึงดวงอาทิตย์ขึ้นนบีอธิบายเหตุผลเลยไม่ใช่ดาอะไรก็นนี่มึงมาทำมาหากินกันเลยนี่ภาษาพวกเราภาษานาบีไม่กูมีลูกสาวลูกขึ้นเธออินนัลลอฮ์ยกขสอมอัลจาบะกุมโอ้แท้จริงอัลล์จะแบ่งจัดสรรรีสกีให้กับทุกคนที่เป็นบ่าวอลัลลอฮ์ ตั้งแต่ดวงฟญารขึ้นถึงดวงอาทิตย์ขึ้นนบีไม่เคยด่าลูกอ่ะพี่จะอบรมแล้วก็สอนเร้าก็เหมือนกันนะครับเอาอัคลากของท่านนาบีไปะช้ฝ่ายฮิลลาอะไมรด บ, บีมิฉนั้นความเกล้วโกรธความไม่พอใจของฉันก็จะเกิดขึ้นแก่สูเจ้าอาลัลลอฮเห็นยังครับฉะนั้นทำอะไรผิดสุนนะนบีบรารักัไม่มี กูอ่านตรงไหนครับอินชาเนาะกาห์ลอาบตาต์แท้จริงอะไรนะคนที่เป็นศัตรูกับนบีคนที่ขวางนบีคนที่มีอัลสุนนะท่านนบีถ้าเก็เป็นศัตรูนบเป็นไงครับหวัลอาบตาต์เขาถูกตัดขาดราหมาจากอัลลอฮ์ถูกตัดขาดทันทีนะครับวะไมยะฮลลลวะไมยะฮลลลอลกบบี ไม่บบและผู้ใดที่ได้มีความกลียวโกรธของฉันเกิดขึ้นใครที่ความเกลียวเกิดของฉันนีนะ่เกิดขึ้นกับคนที่ทรยศ ต, ต่ออลลอฮ์เป็นยังไงครับผลสุดท้ายฝากก่อฮาวะฮาวะแปลว่าเขาตกต่ำสูนรก เขว่าฮาวาเนี่ยนะแปลว่าเขาถูกโยนโยมลมลงไปในนรกเขาตกอยู่ในนรกฮาวาเดิมเนี่ยแปลว่าซาโกตมินยาบาลินเขาตกมาจากภูเขาเขาว่าฮาวาเนี่ยนะแปลว่าอารมณ์ก็ได้ฮาวาฮาวาตรงนี้อธิบายว่าซาโกตมินนยาบาลฟายาลีกูเขาตกมาจากภูเขาแล้วก็เสียชีวิตเลย ท่านเมื่อชาติตรงนี้เมื่อเอาล่อลงโทษใครก็ตามนะบนดุญยานี่เอาลอให้อยู่ไปแปดสิบปีแต่หลังจะออกวิชีพญาตออกจากร่างเมื่รไยตกนรกทันทีเอานนี่นึกถืออาคือล่อเยอะๆกับยเป็น้องทั้งหลายสรุปจากอาย่านี้ก็คือท่านทั้งหลายจงกินจากสิ่งที่ดีๆทั้งหลายที่เอาล่อได้ประทานเป็นเครื่องยังชีพให้กับสูเจา้าทุกคน นี่จะเพาะเจาะโจกบเนีอิสรโอีนนะแต่อายานี่วันนี้สอนให้เรานึกถึงบเนีอิสรโอีนเราก็ต้องอ่านอายาณ์นี้ดูความอี إ ي م านต่ออัลลอฮ์นะครับมีริสกีกินแล้วอย่าทรยศต่ออัลลอฮ์อย่ากระด้างกระเดืองนะครับและผู้ไดก็ตามที่อัลลอฮ์เกลี้วโกรธอัลลอฮ์ไม่พอใจอัลลอฮ์ก็จะให้คนคนนั้นเนี่ยสู่ความหายนะหมายถึงตกนรกแน่ๆ น, นะครับจะอยู่นานหรือไม่นานก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ต่อมาครับอายาที <exists> ah ่82ว้อินนีละกฝารุลิมันตาบะวะมมะนะวะงามิล صالح ะซุมมะตาดาอัลลอฮ์ดีหมดเลยครับว้อินนีละกฝารุลิมันตาบะ วาา่าอามันว่าการละ صالحان ثم تدا มันมีอยู่วรกมีอยู่คำหนึ่งร่ฟ้าอ่าร่ฟ้าเนี่ยนี่เป็นศิฟายของอัลลอฮ์ว่าอินนี่ร่ฟ้ารุนอัลลอฮ์เล่านะแท้จริงฉันนี่นะ่ะเป็นผู้อภาภัยไม่ใช่อภัยธรรมดานะอภาภัยอย่างเหลือหลาย อาภัยอย่างมากคำว่าอาภัยของอัลลอ์มีอยู่สามรายการอาภัยแบบขั้นอนุบาลขั้นเล็กๆอาภั ย, อา ภ, ยอาภัยแบบสองก็ขั้นมัธยมอาภัยแบบสามก็ขั้นปัญญาปัญญาเอกด็อกเตอร์เข้าใจง่ายนะทีนี้อัลลอ์ให้อภัยกับคน สามประเภทในโลกบนดุนยานี้ที่เดิอนอยู่แผ่นดินของอัลลอ์นั้นมีคนเลวอยู่สามประเภทหนึ่งเาเรียกว่านะเรียกว่าจอเลมอลมแปบลบว่าผู้อาธรรมผู้กดขี่คนคนที่อาธรรมในไปน้องคนไม่นามายก็อาธรรมนะคนด่าคนก็อาธรรมคนที่ทำร้ายคนก็อาธรรมทารายมูนิทิเขาก็คนคนจอเลม ทำลายโรงเรียนเข า, า, เ, นาเนียนทายําลายเขาเนี่คนพลน้๊อเลม <c oughs> นี่เขาเรียกว่านะอาธรรมขั้นอนุบาลอาธรรมขั้นขั้นไ น, นะขั้นระดับมัธยมก็คือจูรูมุนจูรูมุนเรียกว่าซูรูมถ้ารเลมเนี่ยอาธรรมขัน้นอนุบาลซูรูมุนอาธรรมขัน้นมัธยม อีกคำหนึ่ง่อนละมุนเป็นผู้อาธรรมที่แย่ที่สุดที่มากที่สุดมีสามนะบนุญตุนานี่เป็นคนเลวมีสามขั้นนะขั้นเลวธรรมดาธรรมดาผมชอบมองแวอธิบายไว้สมัยก่นี่นะคนลักขโมยะขโมยคนจะขโมยเงินเนี่ยนะสมัยอนุบาลสมัยก่นนี่นะเขาลักกันแบบไหนมาเขาเป็นบ้านเข้ากันใช่หรือไม่ใช่ เข้าบ้านเขาไปรักรองเท้าเพราะที่บ้านผมเคยเคยรองเท้าหายหายหมดเลยตื่นมาแล้วก็ยิ้มฮาหมุลิลลาอิณนาลิลลาอวยน่าอิลลายูราจิยุนอัลลอฮุมะจุร์เนฟิมุซิบัติวะคลิฟเล่ขายุรัมมินฮะขั้นอนุสมัยก่อนเวลาจะลักของใครในก็ะเพลบ้านเขาเขาเรียกว่าจอลิมขั้นอนุบาลแล้วก็ต่อมาจอลิมนะครับก็โกงเงินทางอะไรนะ ทางเนี่ยทางตู้เอทอมใช่ไม่ใช่อาเนี่ก็รอกกันอะไรกันนี่มันเขายววนะย ว, ว่ายนะเ็าเรียกว่าวอลลุมอ่าขั้นอะไรนะเป็นคนเลวขั้นผถมกันถมแล้วก็ต่อมาอีกอทมขั้นโซลามก็คืออะไรนะโกงเงินรัฐบาลเชิงอะไรนโยบายมีสามขั้น กินตามน้ PTSD ําก <epid> <enrolled> <sm all right> <sm> right <PowerPoint> ินตามน้ำมีอยู่สาขั้นอ่าจะเน่นพินน้องจะเอาขั้นไหนแหละอัลลอฮ์สามขั้นนี้นะอัลลอฮ์บอกว่าอานากรฟารุนฉันกําลังรออยู่นะไอคนเลวๆทั้งสามประเภทนี้อัลลอฮ์รออยู่ฉะนั้นคนที่ทําความเดือดร้อนลักเล็กขโมยน้อยเรียกว่ารายน้ารอลิมอัลลอฮ์ก็รอฟิรุนอัลลอฮ์รอการให้อภัยกับคนที่ลักเล็กขโมยน้อยเลิกซะ ประเภทที่สองประเภทมัธยมเขาเรียกว่าซอนูม้มอนร он, ักเนี่ยรักเงินเรานึกว่าเก่งแล้วนะเอทเอมเจาะนู่นเจาะนี่โกงบัญชีครับอะไรเขาเอาล็ อ, ลอก็ะกอฟูรุนเอาล็อรอการอภัยโทษ ร, รอการกลับตัวหรือกลับตัวเมื่อใดอกอภัยโทษให้เหมือนกัน นักการเมืองทีงเงินโกงเงินรัฐบาลแบบเทิงนโยบายแล้รอยอไรอย่างนนะ <c oughs> กินตางน้ำเนี่ยไปน้องครับลนะืนอธรรมเลวที่สุดนึกว่าใครจับมาได้จะ อ, อรอรูถ้าเองกลับตัวมาใดอนาคก็ volume, อกลูมุนอลากระฟ้ารุนอภัยโทษคุณอย่างเยอะเหมือนกันถ้ากลับตัวเยอะฉันก็อาทจะก็อภัยโทษให้คุณเยอะ เราทำไปนี่อกคุณอ่านอัลลอฮ์สอนละเอียดยิบเลยแต่เราเองไม่เข้าใจอายาเนี้ดีไหมดีมากครับนี่สอนพวกบริอิสรลอินานะได้มั่นนาะ ว, วัดสั้นวามาแล้วอย่าทรายศ ต, ต่ออัลลอฮ์นะถ้าทรายศ์ต่ออัลลอฮ์ฉันจะลงโทษคุณนาะคุณตกนรกนะแน่แต่อัลลอฮ์ก็เตือนือร้ว่าอินนี่ละก็ฟ้ารุนถึงจะเลขวขนาดไห น, หนก็ตามฉันพร้อมรอการอภัยโทษอยู่นะ คุณกลับตัวมาไรฉันอภัยโทษให้ตัวลวงว่าการเตาบ้าตัวนะ่ะเปิดเปิดโอกาสตลอดเวลาจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศ ต, ตะวันตกเมื่อไรวันนั่นใครจะอีหมานตออา่ออลัลลอฮอัลลอฮ์รับไหมเปิดวันจนกี่ปีเปิดมาตลอดขอบคุณอัลลอฮลทำอยู่เลยลยฉะนั้นจะผิดแค่ไหนก็ตามกลับเงกลับตัวซะ วัยอินนีลรก็ฝ่ารุนแท้จริงฉันเป็นผู้อภัยอย่างเหลือหลายสำหรับใครครับลิมันตาบาสำหรับผู้ที่เตาบะตัวคนสามประเภทเนี่ยเาเรียกว่าจอเิมขันอนุบาลเตาบาตัวซะจอโูมุนขันประถมเตาบ้าตัวซ ะ, ข, ะ, ววซะขันมัธยม สลละมนุษขั้นปัญญาทั้งสามรายการนี่อัลลอ์รอาการเต่าบ้าตัวต่ออัลลอ์เลิกซะว่าอามานะนาเมื่อต้าบ้าตัวแล้วไม่พอนะต้องเรียนอีหมานเพิ่มอีกอามานาคำว่าอีหมานเนี่ยไม่ใช่หกข้อนะมีสาขาของอีหมานอยกเท่าไหร่เจ็ดสิบ นี่การนั่งฟังตับซีดเนี่ยนะนี่เป็นอีมานข้อหนึ่งนะนะครับเรียกเป็นอะไรนะสาข า, าสาขาของมันชั่วบุญมินอลอีมานชั่วปะเป็นสาขาหนึ่งของอีมานฉะนั้นเมื่อตาบ้าตัวแล้วไม่หาอีมานเพิ่มไม่ไม่เรียนไม่พบคนดีไม่อยู่ในคนดีอีมานมก็ไม่ได้ตาบ้าตัวเราก็ไม่รับ เมื่อเตาบ้าตัวแล้วต้องเปลี่ยนแปลนตัวเองแล้วก็ต้องหาอิหมานเพิ่มต้องเรียนอิหมานอีกเจ็ดสิบสาขาทำดีกับพ่อแม่ทำดีกับลูกทำดีกับภรรยาทำดีกับญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงต้องศึกษาหาความรู้ตรงคนกว่า Akbar, อัลลอฮฺอัลบัดอีหมานอีกเจ็ดสิบข้อพี่น้องถึงอัลลอฮฺจะกราบานี่อัลลอชี้หมดเลยนะ กลัวจะตา บ, บ้าไม่เป็นตา บ, บ้าตัวแล้วต้องหาอิมานเพิ่มยังไม่พอว่ามีเราอร์เรฮ่าแล้วต้องมีอามันตุซอลแล้วยิ่งนั้นเนี่ยสิบเดือนสิบวันเดือนถ่งข้ายาเนี่ยอ่านกาูอ่านเยอะๆซีครุ่นล่อเยอะๆดูขึ้นนมาแต่หากหยุดพี่น้องสอด ร, รับกันเยอะๆอัลลอฮฺอัลบาดอามันตุซอลแล้วหมดเลยถามว่าอามันตุซอลแล้วน่ะทำตามนาบีถ้านาบีไม่ทําอย่าทําเนือยฟรีนะครับ ถ้าทำสีรายการนะสามรายการหนึ 1, ่งเตาบ้าตัวสองอมานส ม, มมีอามันกิซอลและเป็นไงครับซุมมัตะดาซุมมะตะาเนี่ยอุลมะแปลได้สองสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งีตตามตา ม, ต, า ม, ต, ามตัวนะและมั่นอยู่ในทางนำอ่าอิตาดาแปลว่ามั่นอยู่ในทางนำเมื่อเข้ามาอยู่ในาศาสนาอีมานแล้วนะครับต้าบ้าตัวแล้ว หาความรู้เพิ่มเติบยืนหยัดอยืนหยัดสุง ม, มัตตายืนหยัดต้องยืนหยัดตาบ้าตัวแล้วเพื่อนเก่าๆมาชวนไปอีกอลอกูอ่กดูสิุตสาไปส่งไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะห้าเดือนดันกลับมาทำเลวอย่างเก่าอีกมาเจอเพื่อนเก่าๆชวน ไปเลยอย่ายาซุา่มมาแตดาต้องยืนหยัดในการทำความดีตลอดไปฉะนั้นเลือกคบคนดีๆคนเลวๆสมัยเพื่อนๆกันจะเลิกกเลิ ก, เล ก, เลกไปให้หมดอทีนี้ในตับซีดนะอธิบายดีนะคำว่าตาบ้าเนี่ยมายถึงรอยาแปลว่ากลับเนื้อกลับตัวอลัลลอเชิญคนกี่กลุ่มรู้ไหมสีกลุ่มให้กลับตัวนะสีกลุ่ม กัวมุสลิมด้วยนะที่ทําอะไรผิดๆนี่มีไหมมีครับมุสลิมที่นมัสารไม่ครบให้เวลานี่มีไหมมีตกกักกลับตัวซะผู้หญิงที่ไม่คุมที่จาบมีไหยมีหรือไม่มีเยอะเลยเดี๋ยวนี้ชักชัก ช, ก ช, กชกักดีขึ้นดีขึ้นนีขึ้นนคนที่ไม่เคยทํานี่นะกุฎบานมีไหมมีเงินเยอะแต่ไม่เคยทำอะ่ะดูถูกอีกฮกุฎบาน ซื้อที่ตลาดก็กินเหมือนกันใครบอรกว่าเหมือนกันทําเหมือนกันนบีไม่สั่งอลัลลอฮ์ไม่สั่งเราแค่นั้นเนื้อกุรบา ا กับเนื้อทีนนอ่ที่ซื้อที่ตลาดมันต่างกันนะพี่น้องเนียดใหม่นะเอาเนื้อกุระ ب ا ให้ลูกที่ไม่เอาศาสนาให้มันกินขอทุกอาจะให้เนื้อกุระ ب ا หม้อ น, นี้ชิ้นนี้ลูกกินแล้วอลัลลอฮ์เปลี่ยนปแปลงหัวใจอทำดูดีเลยพี่นอ้องถึงเหมือนกันนะพี่น้องที่ ไปทําอะไรนะไปทําอุมรอดล้าน้ํำดาๆมานะี่ยเอาลูกมาเนี่พ่อให้น้าดำๆขวดเลือกเลยนะ ล, นายาาล้าขออวยอัลลอฮ์ลูกที่ดื่มน้ํำดา ๆ, ๆที่พ่อพามาจากมักกะวันนี้ดื่มแล้วให้อลัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงทําได้หมดนะ่ะของดีพนะี่น้องอัลฮัมดุลิลลาฮ์ทีนี้อลัลลอฮ์สั่งคนสี่ประเภทหนึ่งคนมูนาฟิกคนหน้าไหว้หลังหลอกมุมินมีไหมมีครับ ต่อหน้ามุสลิมทำตัวดีลับหลังด่าเขาอีกข้อที่สองคนกาเฟตกุฟกลับนกลับตัวซะคนมุชิริกคนที่มีพระเจ้าหลายองค์มุสลิมนี่และชอบไปหาตัวตะเกียกกันหน้าตรายอเพิ่ไม่ได้แล้วก็นี่เอาเราไปกลับตัวให้หมดนะมาซียะคนลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยประเภทที่ที่สีเนี่ยทรยศต่อเลาเลิกให้หมดนี่เอาเาสั่งนะ ตับซิดอธิบายว้ดีมากครับพี่น้องทั้งหลายทีนี้คำว่าซุมมหตดาเขามั่นอยู่ในการในทางนาเนี่ยท่านอลีบินอบีอุลอลิลูกเขยท่านนาบีและท่านอิบนาบาสเนี่ยบอกอะไรนะคำอธิบายคขาว่าอิกตาดาอธิบายยางไงอิสติกอมาอาลัซุนนะให้ยึดซุนนะให้แน่นโอ้โหนี่สว่านนาบีนะ อ, อิบอาบานนี่เป็นลุงเป็นลูกเป็นลาดญาติญาตินบีแล้วก็ไซนาอาลีเป็นลูกเขยท่นานนบีอธิบายคําว่าแล้วก็อิฮตาดาคําว่าอะไนะมั่นอยู่ในทางนํายความว่าไรนะยึดสุนนะนบีให้แน่นท้นี้จะยุ่จะรู้สุนนะนบีจะไงก็ต้องเรียนใช่หรือไม่ใช่ใชอ่านฮัดีิสของอิหม่ามบุคารีน่ยมีทั้งหมด8ดเล่มที่9้าเล่มที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วเอามาอ่านวันละสองดดิสสามดดิส อินชอล l l a h รู้หมดเลยนะครับทาไมเขาใจเขโทรศัพท์มาถามตัวครูเมืองไทยนี่เยอะฮะดิษนี่อธิบายยังไงอาจารย์เอาไม่ดีปัญหาคำว่าสุหน้าในบีอธิบายยังไงหนึ่งสิ่งที่ท่านนบีสอนสอนสอนสอนสอนเป็นสุหน้าหมดเลยสิ่งที่ท่านนบีพูดพูดพูดพูดนบีทำในบีพูดเป็นสุหน้าหมดข้อที่สมในบีไม่ได้พูดนบีไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติแต่ซอฮาบะปฏิบัตินั่นก็เป็น Sunnah dan kan, nakap. Saya nak alih arti baiwa istiqom adalah Sunnah wal Jamaah, hayun yat kah Sunnah muatan Nabi Allah Al Kubhar. Alhamdulillah, pihon tengal. Toma kah ayat tih 83. Wa ma ajalak ang kaumik ayat Musa. ว่ามาอาจัลก์กันข้าวมิคายาโมซาอัลลอฮฺนีอัลลอฮฺตัมณิอาย่านี้อัลลอฮตัมณิตัมณิใครรู้ไหมตัมณิอัลนบีมมซาที่อัลลอฮฺสัญญากับมูซาว่าเดี๋ยวพอข้ามทะเลแล้วนะพบกันที่ภูเขาตูร์หลังจะเลือกตั้งผู้นำเจ็หัวหน้าแล้ว น บ, บีมูซารีบไปก่อนเลยไปคนเดียวอ่าไปคนเดียวเลยก็สัญญากับอลัลลอฮ์ว่าว่าไงนะอลัลลอฮ์ว่าไอ้มูซาพบกันที่ภูเขาตูตนะอันนี้ก็จําของที่ไวฮีลงมาจนะํามันแล้วก็ไปเลยคนเดียวพอไปถึงภูเขาตูตอัลลอฮ์บอกว่าว่ามาอาจาลัลลัะ อะไรเล่าที่ทำให้ท่านรีบร่วงหน้าไปก่อนคุณร่วงหน้ามาก่อนทำไม <c oughs> มูซาเอ้ยคุณรีบร่วงหน้ามาก่อนทำไมแล้วมุมลินอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ข้างหลังคุณคุณทิ้งพวกได้ยังไง <c oughs> อรรนสอนั้ย <c oughs> สอนเรานะวันนี้นะเองมีจามาอาณาเองไปคนเดียวไม่รอดเองต้องไปกับจะมาอา เป็นอย่างรครับนี่อลัลลอฮฺจำิดในมูซาคุณรีบรีบร้อนรีบมา ก, ก่อนมาหาฉันเนี่ยมาทําไมแล้วก็ปล่อยให้พวกอยู่อีกกลุ่มยังไงมาปล่อยทําไมอะ่ะจำได้ไหมนบีอะไรที่ทิ้งทิ้ ง, ท, งทิ้งพวกอะ่ะบียูอะไรนบียูนุษย์นบียูนุสสอนศาสนาสอนสอนสอ น, สอ น, สอ น, สอนพวกไม่เอาอะ่ะ นี่เลยกูไม่เอากูไปแล้วไปรอดไหมน่ะไม่รอดโซตุ้าอยู่ในท้องอะไรท้องปลาเห็นไหมทิ้งพวกระวังน่ะเอาตัวรอดคุนเดียวตัวครูมีเยอะไปไม่รับผิดชอบไรเลยคอยด่าชาวบ้านมากกวมีเยอะต้องอยู่กับจะมาอ้างงานนี่ต้องทนอยู่กับจะมาอ้างแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแปลงเขาค่อยบอกเขาเตือนเ้าไม่ใช่มาดา่ากูไปนล่ยกูไม่เอามึงแล้ว นี่ถ้าเป็นนาบียูนูอัลลอฮจับสายท้องอะไรท้องปลาพอข้าวท้องปลานึกได้ละอิละฮะอิละอันตะสุบฮานะกออินนีกุลตูมินัลโวลมีอัลลอฮ์จะยินอยู่ข้างบนน่ะมาเลกาถามว่าอัลลอฮ์ไม่ช่วยช่วยเอาสางปลา้คลายออกมาอัลลอฮ์อักบเป็นนีอยังรับนี่อัลลอฮ์ทำในาบีมูซาวามะอาจัลลิกะมูซาเอ้ย รีบล่วงหน้าไปก่อนหมู่ชนของของท่านทำไมยหามูซาอัลลอพูดเพราะอาลัลลอฮฺอักบัดเห็นอย่างครับจากนั้นอยู่กับจะมาอย่ะทิ้งจะมาออย่าเอาตัวรอดคนเดียวคนที่มีเงินมีทองมีความรู้ดีๆเข้าใจนะอย่าเอาตัวรอดให้อยู่กกบจะมาอานบี นบีลูตอะอะไรที่าลาที่เด็ดสิปัจจุบันนี่นะอัลลอฮ์สั่งนันบีลูดตอนเช้าออกนะฉันจะทำลายแล้วส่งบรกิกามาเล่าให้นบีลูดฟัง น, นบีลูดออกเป็นคนสุดท้ายนี่ไงตัวอย่างมีมูซานี่ออกไปคนแรกนี่อัลลอ์สอนหมดเลยนะเอานบีมาเล่าให้เราฟังวันนี้ น บ, บีลุตเนี่ยออกเป็นคนสุดท้ายพวกออกไปก่อนคนที่อีหมานตอนนี้มิลุตออกเลยออกเลยออกเลยออกเลยน บ, บีลูตออกเป็นคนสุดท้ายแล้วก็สั่งว่าอย่าเหลียวมองนะแต่พญาท่านเหลียวมองและปไปงานครับถูกสูบครับเอาล็อตเตอนเราเราเองวันนี้เหมือนกันรับผิดชอบที่ไหนดูแลต้องให้ดีที่สุด ต้องดูอะไรห้ดีหวังผลละบุญตอบแทนจากอว่านั่นไงน้องพระองค์อัตบัพอกับอายที่แปสิบสกล่าหุมอุลัยอัลอาสีว่าจิตุอิลัยกะรับบิลิตรดอกล่าหุมอุลัยอัลอาสลี ว่า agile ทูอิลัยกะรับบิลิตารบอข้อแนบีมุสากล่าตอบอัลละฮ์าว่าหุมเขาเหล่านั้นพวกเขาเหล่านั้นที่อีมานต่ออัลลอ์นะกลุ่มใหญ่นะแล้วก็มีผู้นำอีกเจดิคนนะเป็นยังไงครับอูลาอิยลาอสรีเขาอยู่บนรอยเท้าคือตามฉันมา กำลังเดินตามฉันมาอยู่ไม่ได้ทิ้งเลยขาวกวาลางกำลังเดินตามฉันมาอสซาลีแปลว่าร่องรอยหรือรอยเท้าเขาวกวาลังเดินตามรอยเท้าฉันมาอยู่ค่อยๆเดินมาฉันมาก่อนมาก่อนเอาละจำเนะตอบว่าไงนะพวกกาลังเดินมามาที่หลังถามว่าถูกไหม ฟังแล้วไม่ถูกเห็นไหมนะต้องไปกับกลุ่มและตอบต่ออีกว่าอาญิตุที่ฉันรีบมาเนี่ยอาญิตุอีไลก็รีบมาหาท่านเนี่ย ร, บ, ยรบบิลิตารบบอเพื่อพระผู้อภิบาลของฉันจะได้ทรงพอใจฉันเห็นอย่างครับที่รีบมาเนี่ยนิดอิสติฮาดเองนะ อ่าเนี่ยอุลมะฮ์อธิบายดีนะอิสติฮาดเองใช้ปัญญาเองใช้ความคิดของตัวเองรีบมาก่อนคนเดียวทิ้งพวก <c oughs> นี่คำคำอ น, นะคาอธิบายแก้ตัวลีรอบบิลิตารดอเพื่ออัลลอ์จะได้มาหาความพึงพอใจกับกับอัลลอ์นี่คำคำพูดของของของนาบีมูซาตาโรดอรเนี่ยแปลว่าอะไร น, นะพอใจ เอามาดูนบีมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดเนี่ยอลัลลอฮ์ไม่ได้พูดกับนบีมุฮัมมัดแบบพูดกับนบีมูซานะว่าว่ามูซารีบมาทาไมนบีอะก็ตอบ ว, ว่ารบบลิตร ล, ลอญ า, าลฉันรีบมาเพื่อแสวงความโปรดปรานจากอาลัอลลอ์อัลลอ์ยัได้พอใจฉันส่วนนบีมุฮัมมัดอลัลลอฮ์ไม่ได้พูดอย่างนี้ับอลัลลอฮ์พูดอย่างนี้ ว, ว, ว่าด้ซาอฟะยุอาติกาโร บ, บุกาฟตารต์โแปลว่าอะไรครับและในไม่ช้าพระผู้อภิบาลของท่านจะทรงประทานแก่ท่านเพื่อให้ท่า น, พ อ, านพอใจกับมูซามูซาพูดเองนะรีบมาหาท่านเพื่ออัลลอจะได้พอใจฉัน แต่อลัลลอ์พูดกับ น, นบีมุฮัมมัดพูดว่าไงว่าลาซาฟยอตีรบบกฟตรอฉันจะประทานให้ให้ให้กับท่านเพื่อให้ท่านนบีมุฮัมมัดพอใจต่างนันนะ <c oughs> แสดงว่าอัลลอ์รัก <c oughs> อลัลลอ์รักใครมากเนี่ย น, นีมุฮัมมัดนะนี่อ่นอานจักรวานะนี่เห็นยังครับ ศา น, นนบีมุฮัมมัดเป็นอัสรฟุลอับียะเป็นหัวหน้าบรรดานาบีทั้งหมดของโลกอ่ะถึงอลัลลอ์พูดชมว่ลาละเซฟฟอยอตีกรอบบุกกาตารุบบเดี๋ยวอลัลลอ์จะค่อยๆประทานของดีๆให้กับมุฮัมหมัดเพื่อให้มุฮัมหมัดพอใจส่วนนบีมูซาฉันทำๆเพื่อให้ท่านพอใจต่างกันไมมภาษาต่างกันเป็ะนั้นสามี ภรรยาอยู่ด้วยกันอภรรยานี่มาช้าได้ไหมได้พรรยาพอช้านี่หุงอาหารอย่างดีบ้านนี่สะอาดที่นอนเนี่ยดึงดึงเป๊ะไม่เหม็นเลยแล้วก่อนนอนเนี่นะทั้งตัวหอมหมดเลยเพื่อทําแล้วให้อัลลอฮ์พอใจแล้วก็ให้พี่พอใจดีไหมอัลลอฮ์หัวตัวไปสา ม, มีก็ไวการอ้านอกบ้านนี่นะอัลลอฮ์ไม่เคย พาของฮาลามเข้าบ้านเลยเ่าฉันก็แปลงฟันตามสุนนะนบีก่อนนอนละอาบน้ำน้ำมาดอ่านนน่นอ่านนี้แต่งตัวก็สะอาดสะอาดด้านดีไม่ด่าคนไม่ว่าคนเพื่อให้อัลลอฮพอใจและเธอก็พอใจด้วยต่างคนต่างสร้างความพอใจซึ่งกันและกันดีได้ไม่ดีอัลฮัมดุลิลลา์ illah, ดีหมดเลยครับพี่น้องเอาต่อมาอายานี้นะครับ พวกบรดาอุลามะเอธิบายอย่างนี้ว่าดาดเลลุนอลาจาวาลอาิอิสติฮะอาญนีและบรดานักอุลามะฟุกฮะทั้งหมดนันกฟิกโกนที่ใช้ปัญญาตัวเองวิเคราะห์นี่นะกะแบบน บ, บีมูซาเนี่ยอิสติฮตัวเองก็รีบไปก่อนนะหนี่เป็นหลักฐานอนุญาตให้นักอุลามะที่มีความรู้ดีนะอิสติฮะใช้ความพยายามวิเคราะห์ด้านศาสนาอาญานีเป็นหลักฐาน อันทำดูเรื่องแต่วิเคราะห์ดีก็ดีวิเคราะห์อัลลอฮ์ให้นะวิเคราะห์ผิดก็ได้ผลบุญเท่านึงนั่นอุลามานะไม่ใช่เรานะถ้าทำแล้ววิเคราะห์ผิดให้ผลบุญหนึ่งเท่าเท่าวิเคราะห์แล้วมันถูกได้สองก็คงไม่ใช่พวกเราหรอกเราก็พยายามไม่เถอะพยายามไปก่เรานี่พยายามเบียนสุนนะนบเบคอนแล้วการปฏิบัติสุนนะนะเบีให้ครบก่อนแล้วค่อยวิเคราะห์ลาดด้านอื่นนะครับ ต่อมาครับอายาที่เท่าไรนะอายาที่8สิบหาห้ามดูลิเล่ ف ا ل فَإِنَّ فَتَنَّ قَوْمَكَ مِمْبَعِدِ وَأَضَلَّهُ مُسَامِرِيُّ قَالَ فَإِنَّ فَتَنَّ كَقَوْمَكَ م ِْ ب َ ع د ِ ฟตนาเก้ า, ามะกะมิ่บาดิกว่าอัลลอฮุมุซามิรีอัลลอฮ์ตัดอัลลอฮ์ตัดว่านะฟะอินนาแปลว่าแท้จริงเราฟตันากะได้ลองใจลองใจนะเก้ามะกะหมู่ชนของท่านแท้แท้ฟะอินนาฟตันาเก้าเก้ า, า, ามากะ พระองค์ตัดว่าอาลัลลอ์ตัดว่าแท้จริงเราได้ลองใจหมู่ชนของท่านแท้ๆกลุ่มที่มาที่หลังเดินตาม น, นาีมูซามาเนี่ยมูซาไปก่อนแล้วนะนั่นก็ถูกลอตตมีแล้วก็ตมีตมกลุ่ม อ, กอีกอัลลอฮ์ว่าไงนะเราได้ลองใจพวกเขาแล้วนั่นหลังจากมิมบาดิกะหลังจากมูซาไปที่ภูเขาตูต ว่าอับลลาหูมุซซามมรีซามมรีเนื้อชื่อคนซาเมรีน่ะแปลว่าชื่อคนซามมรีจะทาไงครับอับลลาหุมได้ทําให้พวกเขานั้นหลงเห็นไหมผลจากนบีมูซาปล่อยพวกใช่ไหมผลจากการปล่อยพวกเอาไปคนเดียวก่อนให้อาลาเพิ่งพอใจเสร็จแล้วนะครับ ซาเมรีเนี่เป็นหัวหน้าแล้วเป็นไงครับทำให้พวกของท่านหลงทางหลงทางทำอะไรกันไปน้องไปลออูปหวัวรูปลูกวัวทองคำเก่งมากเนะี่ยแค่ไม่มีพู่นน้ำสิบวันที่สิบวันนะคิดาศาสนาใหม่มาแล้วคิดบินอาแล้วเห็นยังครับเรื่องบินอาเนี่มันมางา้ ใช่มากเลยเนี่ยปั่นลูกวัวลูกวัวทองคำแล้วมันไม่เสียงนะ่นะรอะอ้องบทุโลมาบอลลอีมานเพิ่มกันนะดูเลยพวกนี้อิมาในทางผิดไม่ใจถูกคิดผิดเชื่อผิดคิดผิดทําผิดนี่เลาล้อเล่านะอาจจะนีกว่าซามิรีนะเป็นเป็นใคร โอ้ในแทบสีภาษาอุดุอธิบายดีซามิรี่เนี่ยเป็นคนรุ่นเดียวกันในสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสาลามเป็นบ้านใกล้ที่ฟาโรซี่บ้านใกล้ชิดกันอยู่ด้วยกันแต่เป็นพวกของฟาโรอ่าคนนี้อีมาต่อนบีมูซาแต่ไม่เอาฟาโรเสร็จแล้วก็มาอยู่ในกลุ่มนบีมูซาเสร็จแล้วก็ข้ามน้ําข้ามทะเลกันมาก็ก็ตั้งตัวเป็นผู้นามาตลอดแล้วอดนะซามิรี่เนี่นะ อาซซามรีเนี่ยเดิมก็ ช, ช, ชื่อชื่อชื่อชื่อมูซาเหมือนกันอาซาเมรีเน่เดิมชื่อมูซานะครับมะของเขาเนี่ยกลัวว่าจะถูกฆ่าโดยทหารฟาโรก็เอาไปเก็บไว้ที่ที่ที่ภูเขาแล้วก็วันสงังวันก็ไปไปเยี่ยมทีเอาโว ง, งอาหารให้แต่ปรากฏว่าเอาล่อส่งยิบรีตมาเลี้ยงมูซาคนนี้ชื่อซาเมรีเนี่ยเนี่ยให้อาหารดูดมือ ที่ออกมาจากจากอะไรนะจากมือเนี่ยเป็นน้ำหวานเป็นนมสารพัดที่อร่ลลอจยจัดให้ั้หมดที่ในในในต้นสิทอธิบายบอกว่าฟามูซาอัลลอฮิรอบบาฮุจิบรีลูกาฟิรุนซามูซาคนนี้ชื่อเดิมชื่อชื่อโมซาแล้วต่อมามาชื่อใหม่ชื่ออะไรนะซามมรีซามมรีเนี่ ใ, นใครเลี้ยงยิบรีเลี้ยงเป็นอะไรเป็นกาเฟสนี่กัาพาผูน้นํำพา พักพวกนาะกาบไหว้รูปหัวที่ทำด้วยทองคำนี่เอาล้อเลยเขาเขียนซาอิดบทก่อหเอาไว้ฟามูสัลลัติรับบ่าวจิบรีลูกาฟิรุนว่ามูซัลลัติรับบ่าวฟิระอุนมุสลลุนส่วนมูซาจริงๆที่ฟาโรเลี้ยงอีกคนนึงจิบรีเลี้ยงคนดีเลี้ยงใช่ไหม ฟาโรเลี้ยงนบีมูซาใช่ไหมแต่มูซาเป็นอะไรมุซันเป็นนบีที่อัลลอ์ส่งมาอัลลอ์นี่น่าคิดนะอัลลอฮุอักบัิปัญหาไม่ยช่ว่าจิบรีเลี้ยงแล้วก็คนนี้เลี้ยงยังไงเป็นกาเฟตแต่ส่วนฟาโร่เนี่ยเป็นคนชั่ว เรียงน บ, บีโมซา่าโมซ่าเป็นน บ, บีของอลัลลอฮฺคุ้องคิดเอาเอง อ, อัลลาผมนึกนะอธิบายเองนะพ่อยิบรียนพูดไม่ได้จะพูดได้ก็ไ ม, ไม่พูดอลัลลอสั่งไม่ให้พู ด, ไ, ดไหมก็เลยไม่ได้เตือนไม่ได้อบรัตาฟาโรมันก็เตือนในทาผิดนะแต่โมซ่าไม่เชื่อท่านต้องทำบุที่อลัลลอฮฺโดนใจทั้งหมดเลยห้ามดุลิลนแล้วไปนองขอบคุณอลัลลอแลนวะฉันอ่านกูอ่านวันนี้ห้าอะยเนี่ยได้ความรู้เยอะมากคะีร้อง سبحانك ALLAHumma u b i h a m l i k a s h l l i illa illa anta a s t a f i r k a w a t u bi l a wassalamu alaikum w a r a h m a t u l l a h wabarakatuh